เักภพเออพระราหูดาพรเจ้าพิทธานั้ เด็นี่ย มเลยอยะยังเจ็ดขวบแต่พระองค์รงที่จะมาถึงเือนของเราหิ้วใเ็นนมือซับคือซับหยาซับสมัดขอของเงินทองกระเทีชาเมืองดินให้ก่อนดูไหประโยอะไรเพาะรักษาได้หรือตายไปก่ ก็ไม่ได้อะไริดเหนื่อตามตัวไปอีกตเองนที่มีิาเรียนไปับเหเปลืกอะไรหน่ออริยทัพย์อริยทรัพหนอยถึงสัทธสีนาคะมิเตตตะสุตตะปัญญายาะปัญญามีอริยัย ทรัพย์ายในทรัพย์สร้านนี้เป็นทรัพสีไปเศษเป็นทัพย์สีไปเศษพรเองก็เลยมอบอริะทรัพย์ให้ให้แก่ตาลิบุตรนานไปเบียดเป็นสามนิ้นพอเยนแล้วถึงไปทราถึงพึนพาเป็นอาค้าชายาแล้วก็ทราบถึงเจ้าตาไปเจ้าปู่หเจ้าเนี่ยยาง หังหินเหลือเก็บแช่งใจนะไม่อยากจะไหหลางเหือแต่แม่อยู่แม่อีกเกาะจะอนุท่าเสดสกจมัดท้งสองนี้ตามหนังสือไทยเปบรเวาศาสนาหรือว่าจะเป็นจักรพรรดินะหลังก็ดีอนุท่าก็ดีแต่ฮะจะเป็นอนุจักรพรรด ไม่ะเป็นกุัฒเป็นที่อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสกุลพัฒเป็นที่ไทยเหือมีท่าคือจะเป็นสลักน์เปนที่จะเป็นใหญ่ในโลกไม่มีใครในโลกที่จะเสมอเหมือนจะเป็นไมตาก็นเปรียบเปรีในประเโลกตลด <him. S 2> ถ Nearly ึงหวัน hmm. <sh arp> เก่าจะกระตัเป็นผิดนี้อันหนาหน้าเสากสับ่วไปแต่การนั่งข้าตัใหญ่ขึ้นมาคนหนึ่งก็ชอบหญิงคนหนึ่งชื่อกังเรยะเป็นระบบกอเรยาหนึ่หญิ่งคนนี้ต่อที่ะสยงามมในสมัยนนิาที่จะจะเหนื่อเหนเลยไปชอบขอ อแต่งงานการแต่งงานเ็จเป็นข้อเหยุใดอย่างบ้านๆใจก็ไม่ทรากเพรไะศานางไม่มีแต่คงจะเคยถืยศาสนาตามประัาก่อนแต่งงานก็หาวามนะฉันด้ปกตินี่ก็เมื่อพระคุเจ้าได้เดือดแล้วก็เดดมาถึงแล้ว แีนลูกของตัวคนนั้นฉันสงสัยในตลาดตัวบางในวิถีระโยชนของเอกเจ้าชายนันทกับนางเสนกัยานีฉันสงหัตดเพระองค์กรมีสดกหนยเยอะก็เลย นั่งทานังชายคท่านเป็เสียที่ว่นังท่ขอครักใครักพ่อพ่อจาใครรักแ็จะนั่งชางกันนังท่าแต่งศปสตเป็นไงเอาบอกจ๋าถ้าหักของพวเองรับออกไปพอไปจ่สาวเ็นประโยคป ตังต่งมอ น, นเลยยืเื่อนกันอะไรอยู่ไหมนันเลยงานร่วนกันเลยอ๋แต่งงาเสร็ดฉันต้งฉันเส็จก็เป็นอันตอร์เซ็ตบพอไปถึงนะก็ยาดจะบจับนะแล่วคต้ อ, ต อ, ต อ, เองเลยตัดสั่งงานถ้าเบื่อไหมถามงานถ้าเป็นฝาทยังยไงแก้มเบือดกเดเต้งไป โกนผมนี่เห็ผ่าตาแล้วครับเลื่องตะเลยดังมาถึงราชบังพระจ้าจุัวทั้งนะเสียพระไทยมากแล้วเห็นเบือดตะเลยต่างเวลาอั้นถ้าไปเบียดอีกก็ไม่ใช่ที่จะเป็นสืดวงสืบเดงตระกูลเสียพระไทยไปไปหาพระเจ้าห้าม คนจะมาบืในศาสนาตั้งแต่วอันนี้ยากจกพิดนันาเจ้าก็กเพราะิดนันาเป็ผู้ยี่ยดีนะตัรงแว่าอันนี้ยากถาิแดนันายังอยู่จเคื่อนเลือผิดะพก็เชื่อที่เจ้ามาตั้งในบัญญัติอย่างการเบว่อหนอคือเบื่อตั้งแต่ว่าอันนี้ยากจาก ก็เนี่เจ้าก่อนเว้นเสียแต่เจ้าียนี้แค่แเป็นอย่างบั้บัดเป็นนั้บัดก็เลยนั้บัดด้วยมาตลอดกระชังทุกวันนี้การเดือดความเป็นเวาจอยู่ไหมทำเสียน่การเคียงการเดือดการไปทำการดูต่อฟังเสียเดือยไหมกเป็นปัญหาอะไร เหมือนกันแต่เราไปทำเชื่อจะเนี่ยบอกเข า, แาจแทำไปทำเชั่อในสถานที่ใดเวลาใดชั่วก็จะเป็นเชื่ออยู่จะเหนื่อยไปการไปทำดีแต่ทะแนงเดียวกันเขาคิดว่าจะมีแต่งเสียพย า, ายามพยายามพยายามดานานดาทั้นๆออกไปในเวลาค่ำคืนนอกจากนั้นอยากนิดเถื่อไปตถอะ มีความเป็นรักทักในตัวองไมบบ่อยากจะให้ตยอย่างนั้นเสียภาพไท ย, ย, ย, ยในวงญาติในย็นดีเงนใสมนเป็มใจแต่ทุกอย่าเราก็ดีตัวเองตั้งภาไทจะตั้งความดีในตัวองค์เองเมื่อไปแล้วก็พยายามทำทุกอย่างทีงงทเป็นทางดีเสทางสัพะรู้ส่งต่ไปศึกษา ับาบวทั้งสองส่วนสมอยนโลกเกี่วไปนับถือว่าท่านทั้งสองเป็นพระอาหันต์อรหังอรหันต์ได้บวชหรือถ้าาบวทั้งสองคนนี้เป็นเลี่ยงใจกัทธาของประชาชนเวนด่เเองไปศึกษายังยนสมุดวิชาของอาจารย์ทั้งสองเเก็เปนพู้ที่มีพระภยหนักแน่นเป็นผู่มีที่ชา สัญญาเขียบแหลมที่แกแนแล้วในสายทางสัสหรุ่ยน อ, ออกลาจากอ า, า, อ า, ากจารย์ไปอาจารย์ก็เสียใจอยากจะหายจนคืเป็นอาจารเนี่ยนั่ น, น, นสอนสอนปลุกจิตใจแลวติต่อไปเพราะเห็นมาจิตคนนี้สลาดนะมากพยายามดูรือไประจัดการเครียอนทวามติดกับชีวิตยังทางสาสหรุ่ยจนกระทั่งถึงเดืนอาเซีย <c> น <oughs> เดืน ยึาคัเป็นหนึ่งวันเชนวหกแต่ออกดเป็นระขางลตะเชรเป็นระยะวลาหกปีทำความผักความเชียนไปหลายเรื่หลาเหลี่ยลายสิ่งลายากสีมีทางสงสัยว่าจะเป็นไปเถอะทางตะรุเราตะเชรแล้วงเสด็จมาเปิดพระญาติโยมของพระอง์ทุกคน ไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันทางจิตใจของพวกเหล่านั้นยังมีกิเลสปัญหายังไม่เนภาริย์ยเจ้าถึงจะมีศรัทธาเหลื่อมใสเติมใจในศาสนาแต่ก็ยังคล่องคิดติดพันกับลูกเป็นส่วนใหญ่ความห่วงลูกรักลูกทั้งตัวรักมาก รักตัวสิ่อื่นเพ่วไปสัน่นเวลานะจิตปิตะมางโตมังมมทำรักอืก่นแต่เนี้ยดยรักบุตนไม่มีรักบุตรนีรักมากจีตมีบุตรหรือจิตรักมากถึงจะเสียกระเปาเงินทองไปขนาดไหนถ้าหากเ่าบุตรของตัวหายจากเปว่ไข้หรือหายจากอะไรที่ไม่ชอบใจพอใจเรือจะเชือ่อจะเสียขนาดไหนแค่จับไป กประกันให้ไรหนาเรียกสวนเข่าฟองเงินทองไม่มีกู้ยืมคนอื่นนี่คือการรัก้วยรักเดียดเรื่องการเดือดในศาสนาก็ทํางนองเดียวกันในใจในคอใจถึงเขาจะมีศรัทธาเลื่องใสในศาสนาอยู่ความใจคอใจด้วยแต่มีน้อยเป็นที่แล้วใครจะมีกัน ดังนัามเลือบในศาสนาโดยคนใดเด็กคนใดลูกคนใดสื่อเจริญเจตะแล้วก็เชื่อฟังบิดานานดาหมือออย่างนั้นเรียนอะไรก็ไม่เอาผ า, านให้ในเชิงพอที่จะได้้งงานดิบ ด, ดีให้ควานส่วนนั้นเนี่ยไม่อยากจะมาฝากฟังคุย อ, อาจารย์สอนให้มาหดในศาสนาเขาคิดว่าเรื่องของศาสนาเป็นถังขยะ เดืคนเชื่อคนเสียเอาไวแต่พระพุทธเจ้าของเ ร, เราเป็นอย่างนั้นท่านเป็นผูด้ ด, ดียุติเปียริยาสาวสมัยพุทการเนื้องกันในใจว่าคนที่โลกในป่าถนาจนคลับออกมาบวชโลกเข้าปาถนาโลกเขาเห็นว่าเป็นผูน้ดียุตเปือ ด, ดอยู่ไม่สงควรจะเข้าไปสื่อัรบราสถานะ เขาถือว่าวัดว่าศาสนาเป็นหน้าที่ของคนไถวคนแก่เป็นหน้าที่ของคนในมีสติปัญญาหากิ้ม็นพอปากพอท้อเขาไปอาศัยเรื่องของศาสนาเขาถือการเพียงแค่นั้นไม่ได้ถือกานแบบการบวชในศาสนาประพฤติธรรมะครามสอนของพระพุทเจ้าเป็นของดียุติเสดอะไรโดยคนใดเขาไปไปเสียงถืผลขนาดนั้นความอยากไดบินอยากใดจิตผลอยากได้ดีแต่จะเสียไา ลูกเสียตลาดยากเข้าของเงินทองพอเสียตลาดก็ได้แต่ลูกลูกศึกษาเสียตลาดยากจริงๆทางต้นสุขิภรักเขาชอบใจเขาเหลื่อมใจเขายินดีจริจังฉะนั้นลูกของทวกคนที่ดีมีสติปัญญาเขาถึงเหวงแหนไม่อยากจะให้เขาวัดเข้าว่าเขาเบื่อไม่ใส่แง่ คิดคิดอย่างนั้นก็มีวิญญาณหนึ่งคยณลูกของตอนนั้นไปเหวอ่แล้วจะไม่ทำประโยชน์อะไรจิตใจจะไม่เป็นใจในกา ร, รต่อทิ้ปฏิบัติอยู่เป็นแฉอยู่ในรับในร่างไม่จนมีธรรมะธรรมโออะไรมนาะแนะนบิดามารดานอกจากนั้นเือจะอยู่ไม่ได้เสียหายลาพดออกไปจะเสีายามเสียงานจะทำเขาความข้าขใจแบบนี้ตนี้ ความค่อแบบนี้ดีจะมีส่วนน้อยที่เห็นเหงื่อเลาะด้วยในคิดหาเหตุผลอะไรเป็นส่วนใหญ่แต่ความพินความเบื่เป็นการเสียสละใหญ่โตไม่ใช่ของเล็กน้อยเพื่อเบื่อกินจังจะยอมเสียสละกเสีสลักทุกอย่างที่โลกเขาต้องการที่โลกเขา้องรัเสริมที่โลกเขาชอบ ก็กเขายินดีความเพีงคนวอดก็ออกมาจากคาราวาที่เหลือปัญหามีเพียงพอบริีูรณเหมือนกันในใว่าคนคนนั้นหมดที่เหลืแล้วค้มคอยพวอมีที่เหลือเหมือนกันถ้าอยู่บ้านอยู่เป็นคาราวาก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาจะไม่มีสมบัติพระสถานในมีเลืกมีเงียไม่ใช่คนคนนั้นหมดหวัง ในทางสารวัตรถ้าคนหมดหวังอย่างนั้นเขามาบวชมันก็ไม่เอา่านอะไรกินไล้วก็นอนไปอาศัยโกจของการบวชเท่านั้นแต่พวกที่บวชสมัยพุทธการอย่างยา่กวาเป็นแลบุตร็เป็นเกจสีพ้าพุทธเจ้า ก, ก็เป็นกระสับพมหาจะกินก็เป็นกระสันใ น, ร, นรสะอาเนมพวกกระั เหล่านี้เราควรต่ำชารามุตถ้าเล่นเดกเมื่อเพิ่มาก็เป็นผู้ที่มีตระกูลดีตระกูลเด่นคนตระกูลต่านีา้สึจะมีน้อยเพราะคนตระกูลต่แล้วเขามีปัญญาที่จะเรีมาเห็นทุกเห็นแต่สนุกเพื่เพินในมารมณ์ต่างๆตัวทีเข้ามาเบีเดยดเบียนในช า, าราวาเห็นแบบาราวายิ่งใหญ่ลำบา ลำพังไม่มีอะไรที่จะได้เป็นของของตัวคนเกิดมาในอดีตเขาประกอบหลังสั่งตัวหากินเลื่อยมาเวลาเขาตายไปไรนาเกยริเสวีเขาคว้างเงินทองก็ทิ้งเอาไว้ไม่มีใครได้ไปสักอันเดียวแต่กเหนื่อยเหนื่อยหงุในการแสวงหาเมื่อไปเบียดเป็นพระ ก็ไม่มีอะไรที่จะอดอยาจยากจนขนาดไหนขอสำํำคญคือเรื่องบังคับใ่ที่เกี่ยวกับเพศเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาหารตางเยู่กินส่วนนึ่งเงนที่พักคาอาศัยยาแก้โรคไัยไท้เจ็บมีเจงพอบอลิบูผ้าหารกระพดิดดีปฏิบัติชอบพอบเงินไตา ตามรบวชมีโอกาสเวลาในการจะภาวนาแก้ยิ้งได้มากกว่าการเป็นฆราวาสความคิดเบื่อหน่ายในสมบัติพระสถานฉะนั้นพระสมัยพุทธกาลแานจึงมาแสวงหาไม่ว่าแสวงหาอะไรซึ่งเป็นเรื่องทังโลกว่าท่านสมบูรณ์คุณศึกมาอย่างยาสาจิลบวชก็มีจ่าสาสามหลังเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีบริษัทบริเวณเลืกเยอะแมากมาย ตายกองเดือนหน่งเห็นิี่ทศนอนหลับไหลมืนกันกับผู้ติดเจมีเม็ดที่ออกบวชของยาศาสตร์สราบุตเกิดนั้นทำให้เต็อิทานในตอนผู้หญิงจำเริ่มเมื่อนอนหลับพอไปดูไปเห็นเข้ามันไม่ชอบใจเขาควหลับ บางคนกต่นอนลืมตาบางคนกต่นอนอ้าปากบางคนกต่น้ำน้ำไหลไหลออกจากปากบางคนก็นอนไปอินเาียมาแล้วยากเขาเคลมมันมีถาความท่านสบายก็ไาในรักษาบางคนก็เดินเถื่อแล้วเมื่อตายตานเรื่องต่างๆท่านเห็นเขาสลับสังเกตในจิตในใจเหมือนปลาช้าฟีดิดคิดอย่างนั้น จิตใจของฉันเบืออหน่จะมาลหลงไหลทํมมาไมเรามาลหลงไหลอยู่นี่นานปีแล้วขเข้อใจเราเป็นของหยุดทของดีเพราะจิเทึบในยินดีเท่านั้นเนี่ยทุกสงทุกอย่างก็ปล่อยวางไปหมด น, นี่จะจะตั้งหนา้าประพืดภาวนาละทิเลถ่านจรงหนีออกจากลาสากในการคืนนิ่งกันกันกนกนพนนบพร ะ, ะพุทธเจ้าและศาสตร์ุทธบุตรหนึ่งเสนอพุทธการ เแล้วก er right. er no ็ต้างๆต้างๆเดินงกรมภาวนาระกิเลสมันดสร้างสติวิหารมัม่ด้ไสร้างเวลาเวานต่างๆมม่ไดแสวงหาสมบัติพัฒฐานอะไรอาศัยการยินทบาตเยี่ยงชีวิตไปเป็นวันๆเท่านั้นขดฉันก็ไม่ได้นึนหวังว่าอันนั้นอรออร่อยอันนั้นีอันนั้นเรามขอจให้มันม่ผิด โครคไทยต้องตลวอขอจะเให้นหมพอแต่ทางซีอีสไปได้ทำความเทียนทางทา จ, จิตทางใจสะดวกสบายเพียพอเพราะงั้นท่านซีนี้ไปจึงไม่ได้เข้าไปเมืองเมืองใหญ่ที่มีอาหารรสชาติดีมนีเข้าป่าอยู่ตามคนป่าธรรมดาคนป่าก็เขากินอะไรเขกาก็ให้อันนั้นตามเลือดของเขา ยิ่งสมัยพุทธกาลในกคยมีใครไปเนี้นำทำสอ น, นออว่าทานของเลิศโดยผลเลิศทาต้องดีเลยผลดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะถือญาพระยินพบาปเหมือ น, นกันกับคนขอทานธรรม ด, ดาไม่ถือว่าเป็นของประเสริฐวิเศษอะไรในสมัยหนึ่งสมของพุทธกาลตอนนั้นจริงลําบากยากเย็นต้องขมจิตข่มใจใครผิวไม่เหลื่อมใส่ไม่เห็นอาจเห็นทำแต่ทนไม่ไหว เเคยติด okay, ความสุขความสบายมาจาการารวะออกจากสกนที่ดีมีไปอยู่ป่าอยู่กับคนทุกข์ยากลาบากแต่ก็คมใจเ้าพูดไปเต่าคมพระไทยฉันก็มีพายชนะอะไรใส่ก็บาปได้เดียวน้ำก็อาศัยบาปไปตักมาอาบมาฉัน จนกระทั่งวันกตรินิีผพานก็ยังไม่มีภาสน้ำอันอื่นจะเห็นได้อย่างพระ อ, องค์จรงกะหายช้พระอนุญาตตักน้ำก็เอาบาปไปไปตักน้ำมาถอยนี่แสดงว่าบาปเป็นผี่รวมทั้งหมดตนน้ำก็อยู่นั้นภาสนอาหารก็อยู่นั้น ทำปฏิบัติสั้นโดดมากน้อยยินดีตามมีตามเปิดของตนแต่ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาประพฤปฏิบัติรู้อกเข็นทาใจสงบสงดสังดจนละถอนทิ่เลือดที่เคยจิดข้องเจ้ามองต่างๆตกไปขาดไปที่ยังไม่ตกไปขาดก็เห็นทวามสุขของใจ มันไมได้ยืมยุ่นอยากอันนั้นอยากอันนี้นอกจากอยากจะข้นกิเลสเท่านั้นใจของผูมิมั่นอย่างนั้นจนไม่มีภาระหน้าที่อะไรไม่ว่าอยู่สถานที่ใดนี่จะกาหนดจิตดยใจของตัวสม่ําเสมอไปว่ามันคิดตรงนี้เป็นทางที่สะสมกิเลสหรเป็นทางละถอนกิเลสที่โงงง่ายอยู่นั้นแต่และ ว, วันยอมได้อุบายต่างจับ เรื่องของจิตที่เชิดตึงเข้าใจขนาดชาัดเจนเลยไปจนใจถึงเรียนรู้ที่สุดเรื่องของถาดของขันเข้าใจขนาดชาัดเจนว่ามันจริงก่อนของทุกเป็นพาระถึงจริงมีพาจิตหรือาลหาเรีเป็นจักรคันธาขั้นทั้งห้าเป็นพาละ น, นัะนก 5, นนในควรจะแบกจะหามต่อไปพบใหม่แล้วจะไม่มีอีก พอเห็นเรื่องของทุกข์ในขันอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตขี่จะไปยึดเกี่ยวกับเรื่องของขันแล้วหมดไปละถอนเรื่องขันได้ก็คือละถอนเรื่องจิเนตได้ไม่เห็นรูปว่าเปนตนไม่เห็นต้นว่าตปนรูปไม่เห็นรูปว่ามีในตนไม่เห็นตนว่ามีในรูปเวทนาก็เหมือนการสัญญาสังขารวิญญาณ ขันทั้งห้าท่านรู้ท่านไปจกักแต่เมื่อจิตเป็ น, ดนดเล่ น, น ท, ท, ทิ้งเหล่านี้มันก็ยังคงที่อยู่เพราะจิ่งเหล่านี้ไมในใจกิเลสเป็นขันในหลวงไหลไปตามเหื่อของขันเข้าใจขันเป็นขันความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นี่คือท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาจิตใจของท่านแต่เมื่อเห็นว่าเปนอย่างนั้น ความแตกความเจ็บ ค, ความตายจะมีมีหรือมีเพราะเหตุใดเพราะชาตินี้แต่เมื่อแปลดับไปแล้วจะไปที่ไหนเข้าใจในตัวเองเพราะหมดกิเลสก็คือการถึงนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนพอจิตใจถึงความหมดกิเลสมันมีทางสงสัยว่าจะไปที่ไหนจึงจะเป็นนิพพานเพราะความดับกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพาน ไม่ใ่เรื่องอื่นว่าจะไปสวรรค์พุทธมรรคนิดพานอย่างนั้นอย่างนี้งานเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องของจิตขณะ จ, จิตที่เป็นไปอย่างไรเข้าใจการละเรื่องที่เละการตัดเรื่องที่เละการต่อพื้นตัวดีในสมัยก่อนทุกคนที่ออกบวชมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบวช พอจะเปี่ยนชื่อว่าเป็นเพียงเป็นคิดเป็นจานอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไมด่ดีบวชฮะลาบยศสัรเสรนทางโลกบวชฮาความสุขทางใจอย่างไรใจเราจะเป็นสุขใจเราจะพ้นทุกนั่นแหละจุดหน่งหมายของผู้บวชทั่วไปแต่นั้นจึงอยู่สถ า, านที่ใดในตังวลวุ่นวายทายนอกนี่จะ จะละจะถอนกิเลสปัญหามันคล้อมันติดมันเชิ ด, ม, ดมันตึงอะไรซึ่งเป็นไปทางโลกทางชั่วท่านจะพยายามแก้ไขด้วยสติเดียรปัญญาของท่านเสมอไปจนจิตใจแก้ไขหมดสิ่งเหลืองของกิเลสเมือ่อใดท่านก็มีความสุขความสบายจะไปอยู่สถานที่ใดอะไรอีกมันจะเกิดขึ้นไม่มีสําหรับจิตที่บริสุทธิทไ์ไม่ว่าความดีไม่ว่าความชั่ว แต่เกิดในความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นอันไม่มีอีกจึงหมดสงสัยว่าความบริสุทธิ์นี้จะเป็นอะไรไปอีกไม่มีทางจะเห็นจะเป็นเฉพาะผู้บวชปฏิบัติรู้เข้าใจในตัวเองอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติอา น, นิสงของการปฏิบัติความยากหมดสิ้นไป ในความบริสุทธิ์ของท่านท่านจึงสบายอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่ป่าอยู่เขาอดอยากขาดแคลนอะไรแต่ใจของท่า น, อ, น, น, น, น, านอันนั้นมันไม่ได้ขาดแคลนไปหลังใจเจ็บป่วยอันนั้นไม่นหนื่อยเจ็บป่วยไปไดยติกอยู่ตลอดเวลาเป็นอาัศาริโกเกิดมือหลังถึงความบริสุทธิ์หนึ่งหรืมดอย่างนั้นจึงไม่มี การเกาะเกี่ยวพัวพันกับเรื่องทั้งโลกเขาจะสร้างแรงผลโยนยอเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำนนิชชมด่างไรเป็นหน้าที่ของเขาเราเป็นอย่างไรซ่าหับอยู่ภายในใจความดยากแต่เขาสร้างแรงผก่อน่มีความอยากให่เขาเน้นทาก่อน่มีความดยากจะไปยึพทานก่อนหนึอีกมันจะมีชฉาทีเดียก็ไปถึงแล้วเห็นแล้วจะอยากอะไรอีกถ้าอยากก็จะยังมีหิวอยู่ พ้าหาแต่ยังไม่เห็นี้มันพอแล้วจะไปหาอะไรมันพอแล้วจะไปอยากอะไรนี่เตอใจถึงความบริสุทธิ์จึงไม่มีอะไรเป็นปัญหาสําหรับท่านเรามเป็นอย่างนั้นนี่จะท่านอยากเลื่อยไปได้อะไรมากกว่าไม่พอภายในใจแัง้นจึงมีการหิวเลื่อยไปถ้าท่านของมีเหลือคฟือแต่นั้นก็อยาก เพราะมันได้แกะไขทีเยนาใจของตัวเองที่เป็นคิดมันหลงเรื่องของใจเป็นทุกข์มันจะเรื่องอื่นเรื่องกายมันไม่หลงนะหน้าที่ของมันเกิดมามันโกเทเรื่อยไปแล้วจะทําดีทำเชื่วมันแกเเรื่อยไปจะทามันหลับมันนอนพันยืนมันเดินอะไรมันกแก่เรื่อยไปจะทําการทํางานหรือไม่ทำการทํางานมันก็แกเเหมือนกันกับ กางวันกลางคืนนาที่ของมันเราจะทําความดีมันกงนาทีเขินงงมันก็หมดไปหมดไปอย่างนั้นความแกะของธาตุของขันก็ทํานองเดียวกันมันมเหนื่หลงไหลถึงเวลามันตายมันก็าตายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธาตุของขันกูตัวเองลืมหลงเพือจิต ของผู้ที่วันนี้ฝึกใเรื่มหลงในเพล่เพลินในมัวเมาในสิ่งเหล่านี้เข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจของท่านจึงสบายเมื่อใจสบายแล้วทุกอย่างมันก็สบายไปถึงอย่างใจมันจะปวดไข้แต่ใจมันก็สบาย คำบริสุิ์ของใจจะเห็นจะเป็นเฉพาะผู้ปฏิบัติถึนจึงหวะธรรมะเป็นทันติสุขโกเป็นปัจจิตังหรือเห็นเดี่ยตัวเองเป็นของเฉพาะตัวพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติธรรมะจะไม่เป็นโลคะสําหรับผู้ที่ปฏิบัติ จิตเคยอ่อนก็จะแก่ขึ้นปัญญาที่เคยอ่อนก็จะแก่ขึ้นกล้าขึ้นที่เหลือปัญหาที่เคยรบกวนก็จะค่อยหายหน้หาหตาไปตกไปใจจะบริสุทธิ์ใจจะสว่างเสวัยใจจะเยือกเย็นหาเราที่นี้ที่เจรณาอย่างนั้นก็ไม่มีวนันการบวชมันกดบวชแต่กาย พอใจในบวชให้อยู่วัดอยู่วาใจแต่ใส่ไปหาการงานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระเป็นเมนก็เป็นพระเป็นเมนที่สกปรกไม่ใช่พระสะอาดไปหาเขี่ยวริทุกแห่งทุกหนเข็มตัวเข็นคนกชอบก็อจิตก่อิตก่อปูนไป พระเน่าเนินเน่าพระแรลงวันหาตอมสู่มตอมที่คือคจิตใจไม่มีอาจมีทำมันเป็นไปได้แพระคือดีทั้งในอย่างนั้นแวบบออกไปเมื่อไรก็โทษตัวเองสงสารสังเวทว่าเพศไปเสด็จเสด็จ ทำไมใจถึงหลุ่มหลมมงมัวเมาอย่างนี้ตั้มหนึ่งตัวของตัวเสมอไปแก่ไขเรื่อง ข, ของตัวหม่ว่าการนัง่งการเดินการหลับการนอนจะอยู่กับอัดกับทำนี่คือพระเหลื่อมเป็นพระเป็นสุปฏิปันโนเป็นอิสุยายะ ในรักษาจิตในรักษาใจของตนลอยลอยลมไปอยู่วัดได้แต่กายใจใจไม่อยู่ในวัดในวาไม่อยู่ในโยงของศางสน า, เ ป, น เ, เ, ปนานเป็นโจรเนมาร้นจะดมชาวบ้านเรือยไปเห็นใครก็ชอบติดคิดตึงในเรื่องชั่วหนึ่งเสียต่าง แบบนั้นเรีนแบบนั้นตัวเองก็วตะมือตัวไว่าจะคนอื่นก็จะหาความสงบหยุดเย็นไม่มีเราหยุดรู้เสียงเรื่องราวภายนอกเป็นคงหยุดของดีกว่าอัจฉริของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนจิตคิดตรงไปในกิเลสปัญหาจิตข้องในลาคาต่างๆมันก็ไม่แตกอะไรกับสัตวสัตมันก็เป็นไปได้ ทั้งทสิที่เขาเคยศึกษาเราเรียนสึ่งเหานี้มันมีประจสัสันดานของสัตว์ทุกประเภทที่มีลมปานะลมหายใจมันเป็นไปได้แต่เราคิดเป็นแบบนั้นมันก็เป็นคิดอะไราาสั้นเด๋ยวมาสังเอนเสวนว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนดีพิเศษดีพิเศษอะไรที่เหลือปัญหามันอันเดียวกันโลกเ่ยนหลงของมันอาจจะ น, อน้อยกว่ามนุษย์อีก เปนมามันไม่ได้ฮะเสื่อห้าหมอนที่ไหนมันก็นอนได้ข่าวนักเลยฮะภาสนะอะไรเี่ยมันเยินจะเยิมจะอยากมันก็กินได้มันละได้กว่าคนเป็นบางสิ่งบางอย่าแต่คนเราไปตำแหน่งว่ะมันชั่วกว่าเราไปเสียถ้าเรามีจิตจิดตรงนี้ไปในทางชั่วมันชั่วยิ่งกว่าหมา พยายามรักษาพยายามดัดแปลงพยายามแกะไขสจิประคับประคองใจแนะสอนสม่ำเส ม, สมอใจที่เคยดู้อดึงต่างๆก็จะหดตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาพอเราเปลี่ยนเราตีอยู่เรี่อยคิดถึงอะไรในทางเฉวดทางเสียเราจะต้องดัดตัวค้องตัวหเหมือนเดิมฝ่าฝืนอยู อ๋อจะเป็นเยื่อยอมเห็นมันฉันเหยอยอมเห็นมันนอนฝึกสอนมันทุกอย่างดัดมันจริงจังมาอย่างนั้นมันตรงได้ไม่ได้นะลูกสอนถือเขาจะเอาไปยืนนกยิงตัดต่างๆเขายังดัดจิตใจของเราไม่ดัดจะให้มันตรงไปให้มันดีพิเศษมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเคยกดเคยงอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จะต้องดับการดัดทางหาบัข็งวิธีดับก็ต้องเผาไฟมืนก็ดับเหล็กอะไรแบบเป็นไฟแต่ตปัญญาเป็นตาตาสำหรับเผาเนึ่งถูกการเผามันก็อ่อนได้พยายามนม่คิดที่จะไณนาตัวเองอต่คิดเรื่องคนอื่น แก่ตัวเองไม่ได้เดี๋ยูยิ่งเสียสอนคนอื่นได้มากมายเท่าไรมันก็ไม่ิ่งเสียไปเสิยให้สําหรับตัวของตัวของแก่ตัวเองฝึกตัวเองตัวดีแล้วไม่มีปัญหาจะสอนคนอื่นหรือไม่สอนมันคงมะเป็นปัญหาอะไรเห็นไหมถ้าอัญญาเป็นทัญญาถึงสอนใครอยู่ในป่าแล้วก็ถือว่าเป็นสถานะของเรา พทำหมดี่เลสเขาก็ได้ตาไปเลยในเชิงตําหนึ่งนนี้เข้าตาจะทประโยชน์แก่โลกคนที่หมดกิเลสเ้าก็เด้ตาชมงชยข้างนัะนจะแบกถามทักขวั่วขนุงเท่าอง์ชมชยเพราะไม่ทางเสียจะนี้ไปอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรถทาองค์ชมเชยอีกนี่คือคหมดี่เลสไปะถานศิลไหนทาอะไรหมดี่เลสเดือยไปไม่มี อะไรที่จะขอ้องจิตยิ่งไปเกี่ยวข้องทั้งทั้งที่เราได้ไม่เป็นหน้าเป็นอย่างอะไรไม่จะจะสอนคนอื่นแต่ก็ เ, เหลื่อมใช้ไม่ไปจ ะ, จะหนึ่งหลัากศัพท์ละภายนอกแต่จิตใจมันเน่ามันเนิ่นขนาดไหนอย่าง น, นี้ทางสมรภูมสารสาัางันจากนี่ตรวดตั้งเวยตัวเองเนยสอนตัวเอง ุึกฝนตัวเองเพื่อปฏิบัติให้เห็นความสุขความสบายภายในก็จะหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นเกียดก่อกวนตัวเองอีกนอ่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็ทุกคนต้องมีการหลุ there, ่มหลง มีการเดือดร้อนเพราะเรามันเคยในเรื่องของวิเลตปัญหามาพอเหมือนปลาที่เคยอยู่ในน้ํำพอเอาึ้นบกงี้ก็อดื่มเนเป็นธรรมดาพระนันทะพระอนุชาหน่อชายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอเข้าไปบวชคิดถึงตังแต่นั้นจนนับบวกไปเลยามีแต่เป็นอันทําอะไรจิตใจห่วงใย คิดจึิงอย่าความบาความเพี้ยนอะไรก็ทําไม่ได้เป็นพระองค์หาทางทรมานทาไปเที่ยวตามไล่ตามป่าต่างๆพอเห็นนางดีนาต้องมีเขาเสยไหมกับนางเป็นนบุกรเยนใครสวยกว่อกันโปรดเห็นพระองค์ขว่าพระองค์ดีหมิ่นนิ่งท่า นำโผล่ลีนโผล่ข้างมาเทียบกับนางสนมโผล่กลางานีแต่พระเองเป็นเพื่อนอย่างยุทธมือเดชให้ไปดูนะลีนนางข้างนะก็มีเช่นก่อนจึงบัรเลงบัรดาให้เห็นนางเทีบอักษรบส น, นสวรรค์เทวดาเป็นสิ่งที่สวยงามมากจนปิดปากของมนุษย์ซึ่งไม่เคยเห็นว่างามเหมือนเทวดา ท่านท่านที่เขเคยเห็นเทวดาเคยลีนข้างเขาเคยเห็นนี่พานันทะก็ทำนองเดียวกันในเคยเห็นนางเทวดาเห็นแต่นางสนนบทกรรยานีเท่านั้นว่าสวยเด่นยิ่งเสกกว่าทุกคนในโลกในนี้ใครตีกันเทียบเท่าเ่ียมถึงยินดีติดใจใครชิดแต่ใ่หญินคนนั้นพอไปดูนางลีนางข่อง พระพุทธเจ้าอ่ะไทยเสียกว่ากันแหละานางเชนรรยยนักบวชกเยาณีจึงมีการเสียพระไทยพอไปเห็นนางเชื่ อ, อสอนเทวดาเข้าเหมือนกันกับลีนข้ากับมนุษย์ลางเชนรรยยนักบวชกเยาณีไม่มีอะไรหรือตดงเงาไม่มีอะไรที่จะจิตใจยากได้อีกยากได้ก็นางเชื่อว่าดานางฟ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้า เาถามว่ะเป็นไง่ะนางเทวสอนเทวดากับนางเครบุกรยนก็บอกว่าเหมือนกันกับนางลีนขั้งยได้ไมนางเทวดาย่าได้ยได้ยี่เรอพยายามโดยมุ่งมันาทาความเพียรเถอะนะเราจะเป็นตัวประกันให้ถ่าความเพียรทางจิตทางใจจะมีหวังนี่นางเทวดาเหล่านี้จะให้เป็น ถ้ามาเหวี่ยงผีคุณให้ได้ทาความเพียรพะทาความเพียรไปโดยความุ่งหวังตั้งใจอยากได้นางเทวดาคนนั้นเยอะเลยนันท์ทาความเพียรเผื่อแดดเปลี่ยนนางเทวดาไม่ใช่ทำความเพียรเผื่อลายชิลิคนนั้นเยอะคนมุ่งหยันจึงเป็นพระเดียกันทำตัวสม็กได้ และเลิกได้เหลือหล่อนกิเลสของใจแต่ก่อนเราก็รักใครชอบพอนางสนมบวกเปรยายนีเมื่อไปพบนางเทวดากบปล่อยขิ้ได้ ใ, ในจิตใจยัยดีอะไรแต่เมื่อสนมบวกกปรยายนีมาชอบตกเทวดาจิตใจมันมายาวแล้วเกินถ้าเห็นยิ่งอื่นที่เสียกว่าเทวดามันก็จะไปชอบอีกกลิกอีก ได้จับผิดเปลนจิตใจท้องตัวและอายใจไม่ใ่ร่คิดไปในทางการมาโอมสังวรระวังจิตที่นิจเจรณาอัชชาอัชพังที่จเจรณาธรรมะนนหนาแนงเข้าไปใน ใ, นใจหลุดลอยออกไปสิอาอมรมณ์หายนอผลือสุกกฤตตสรู้ เป็นอรหร์เขาก็ไปจับพระสงตั้งเอตตะาคะว่าเป็นผู้ดีมียินสีสงวนคือผู้ระวังจิตใจดีเด่นกว่าทุกเอทำจับได้เราก็ก็่จับได้โน้มกันถ้ า, าเราจะจับจิตของจิตใจอย่งจิตใจเท่านั้นมันทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนรุ่งหลงทำให้คนเทิดโทรมร้องให้ เยอะใจเต่าใจตังตลา